เป็นไปได้ที่คนเราจะสิ้นทุกเพียงด้วยการหายใจเป็นถ้าหายใจยังมีความสุขเป็นคุณจะคิดถึงความทุกข์ในชีวิตน้อยลงเพราะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปเป็นสุขกับการหายใจและเอาความสุขความมีสตินั้นไปแก้ปัญหาชีวิตยังได้ผลอีกทั้งใช้เวลาแก้ปัญหาน้อยกว่าคนที่เอาเวลาส่วนใหญ่ ไปเครียดไปบนไปคิดบนจนหาทางออกแทบไม่เจอเพื่อหายใจอย่างเป็นสุขคุณทำได้สองอย่างหนึ่งคือหายใจยาวๆช้าๆเพื่อความสุขโดยตรงจากการหายใจให้เต็มอิ่ม 2. คือหายใจอย่างรู้ว่าลมหายใจไม่ใช่ของของคุณมันมาหล่อเลี้ยงร่างกาย หมดหน้าที่ก็หายไปไม่มีตัวคุณอยู่ในลมหายใจที่เข้ามาและไม่มีใครอยู่ในลมหายใจที่ออกไปหายใจแบบพุทธคือหายใจให้อิ่มให้เต็มมีความสุขกับการหายใจยาวให้เป็นก่อนแล้วค่อยหายใจอย่างรู้ว่าไม่มีตัวตนที่หลังหายใจยาวเต็มอิ่มได้ก็จะเกิดสติได้ รู้ว่าอิ่มได้ก็หิวได้รู้ว่ายาวได้ก็สั้นได้แล้วทั้งลมสั้นลมยาวก็ล้วนเป็นแค่ธาตุแห่งความเคลื่อนไหวพัดขึ้นและพัดลงพัดมาและพัดไปเป็นสมบัติของความว่างเปล่าไร้เจ้าของไม่มีใครสั่งให้พัดไปทางไหนได้ทางเดียวหายใจแบบพุดเป็นจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งแบบที่เห็นว่า ไม่มีใครอยู่ในลมหายใจแบบที่เริ่มทางใหม่อยู่ในทิศที่มีสิทธิ์หมดทุกข์ในชีวิตไปเลยเพราะในทิศทางของการหายใจยังไม่มีตัวตนคือทิศทางเดียวกับการเห็นทั่วทั้งกายทั่วทั้งใจต่างก็เป็นอะไรที่เป็นอย่างเดียวกันกับลมหายใจที่ไร้ตัวตนอ้างอิงพุทธพธ์อาณาปานสติ อันภิกษุจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้